เพิ่อพากันตั้งใจทำใจของตนให้สงบให้ได้เพราะเมื่อใจไม่สงบแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจไม่สงบนั่นเองคนเราเกิดมาในโลกนี้เราต้องการความสุขแต่ไม่รู้จัก ทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนไม่รู้วิธีการบางคนก็เข้าใจว่ามีเงินมากๆนุ่นมีทรัพสมบัติมากๆถือว่ามีความสุขหรือว่าพูดรวบยอดก็ผู้ใดไ ด, ได้สิ่งที่ ทนชอบอกชอบใจมาแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขนี่ความเข้าใจของมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขมันมีอยู่สองอย่างอามิตรสุขนิรามิตรสุขอามิตรสุขสุขอาศัยวัตถุสิ่งของ ไม่อย่างยืนเ ม, เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยวัตถุสิ่งของอ น, นั้นให้มีความสุขเมื่อสิ่งของอ น, นั้นสูญหายไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปนิรามิตสุขสุขไม่อิงอาศัยสิ่งของไม่อาศัยกิเลสสุขอันเกิดขึ้จากความสงบประ ง, งับ ของจิตใจจากกิเลสต่างๆนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงสิ่งใดทั้งหมดเมื่อจิตมันไม่มีกิเลสแทรกแต่งเข้ามาแล้วมันก็สงบอยู่ในตัวของมันเองมันไม่มีเคลื่อนไหวไปมาอยากแก้ได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ เนี่ยพากันสังเกตพิจารณาดูเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทนั้นใส่ใจเรื่องภาวนาให้มากทำอย่างไรใจนี่จะส ง, งบระงับแล้วก็ตั้งใจทำลงไปเนื้อคนส่วนมากก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะั่นะมันห่วงความสุข อันไม่เป็นแก่นสารแต่แในที่สุดมันก็พัดพรากจากความสุขอันไม่เป็นแก่นสารนั่นไปอันนี้บุคคลก็ได้ประสบแต่ความทุกข์ต่อไปเบื้องหน้าหรือทุกในปัจจุบันนี้แหละเช่นอย่างว่า อาเป็นนักบวชอย่างนี้นะเป็นนักบวชปล่อยจิตให้นึกถึงอารมณ์ที่น่ารักใครพอใจต่างๆไปแล้วก็ถือว่าตนมีความสุขใจหรือว่าได้นอนหลับสบายไม่ต้องทำงานกรากกรรมอะไร ก็ถือว่าตนมีความสุขสบายแล้วกันนอนใจนึกว่าตนสบายแล้วไม่ปราณลบความเพียรอะไรนี่เรียกว่านักบวชนี่นะความความหลงของเข้าใจผิดของนักบวชซึ่งหลงติดหลงคล้องอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวความสุขของครือหั์ ถ้าเป็นผู้ชายได้มีแอสวยๆงามงามมาก็ถือว่ามีความสุขถ้าเป็นผู้หญิงได้ผัวที่ลูกสวยลูกงามด้วยมีเงินมีทองด้วยก็ถือว่ามีความสุขทําการค้าขายได้กําไรงามงามก็ถือว่ามีความสุขทํานาทําสวนได้ผิดผลมากมาย ขายได้เงินได้ทองมากก็ถือว่ามีความสุขอยู่ไปร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับก็ถือว่ามีความสุขดังนี้เป็นต้นอื่นๆก็เหมือนกันกับอย่างนี้แหละเนี่ยการการที่คนเรามันไม่ ใส่ใจใส่พระพุทธศาสนาไม่สนใจในที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเราถือว่าตนได้สิ่งที่อำนวยความสุขให้แล้วน่ะให้พากันเข้าใจไว้ความสุขเหล่านั้นมันเป็นเสมือนยังเหยื่อล่อติดอยู่ในเบ็ดเมื่อปลาเห็นแล้ว ก็สำคัญว่าเป็นอาหารอันบริสุทธิ์ก็อเอาปากงับเข้าไปแล้วก็แวกว้ายนึกก็จะแหวกว่วยไปกินไปที่ไหนได้เบ็ดมันก่อเอาปากทะลุเข้าไปดิ้นยังไงมันก็ไม่รู้ได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาฉันใด บุคคลผู้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเหล่านี้มันก็บรนดานให้ต้องทำการทำงานกลา ก, กรรมลำบากเพื่อให้ได้วัตถุสิ่งของอันตนชอบใจนั่นมาอาศัยนี่คนเรามันไม่ฉลาดเห็นว่าได้มีเงินทองใช้จ่าย ง่ายง่ายคร่องครองเราถือว่ามีความสุขแล้วไม่นึกถึงตอนที่แสวงหาบ้างนะมันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนบางคนก็เลยเอาชีวิตไปแลกเอาเงินก็เลยไม่ได้สัมตายเสียก่อนอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายให้พากันพิจารณาดูให้ดีสุกขกับทุกข์มันเป็นคู่กัน แต่มันถูกชั่วคราวนี่สินักประหลาดทั้งหลายท่านจึงเบือ่อนายถ้าว่าทำงานกลากกรรมลำบากแล้วได้เงินได้ทองมาแล้วเงินทองนั้นก็ไม่สูญหายไม่ต้องใช้ต้องจ่ายม่แสดงความยินดีในแต่เงินแต่ทองเข้าของเท่านั้นแล้วตนก็มีความสุขได้ไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทอง อะไรเลยอย่างนี้มันก็ยังชั่วน้อยก็พอที่จะยินดีในทรัพสมบัติต่งางๆเหล่านั้นแต่นี้มันหาเป็นอย่างนั้นไม่อืมเงินทองได้มาแล้วต้องจ่ายเพราะร่างกายนี่มันเรียกร้องเอาอาหารมาบำรุงอยู่เรื่อยไปเป็นผู้คลองเรือนนะถงวานละสองครั้งสามครั้ง <c oughs> เป็นนักบวชก็นักบวชปางแกพวกก็วันละสองครั้งวันละครั้งก็มีอย่างนี้ถึงอย่างไรก็ดีผู้ญาติโยมชาวบ้านที่เขาทำการงานหาเงินทองเข้าของเขาเฉลี่ยมาให้ทานแก่นักบวชอย่างนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายกวัวเขาจะได้ทำบุญนำทาน ทำงานกลรผลทนแดดแสนทุกแสนลำบากถ้าหากว่าผู้มีปัญญาได้พิจารณาใครควรต้นเหตุแห่งความสุขชั่วคราวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นก็จะไม่ติดใจอยู่ในความสุขชั่วคราวก็จะเบื่อหน่ายในทุก ผู้เบืนายในทุกเช่นนั้นแล้วอา้าวทาอย่างไรเป็นผู้ครองเลือนไม่ไม่หาก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้อา้าวเมื่อเป็นเช่นนี้ยังหนีออกจากเกลือนไม่ได้ก็ต้องทําความรู้เท่าความสุขชั่วคราวนั้นเมื่อได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอันมาอันใดมาอา่า ได้ใช้จ่ายสะดวกได้มีความสุขสบายเพราะได้ใช้ได้จ่ายคล่องตัวเช่นนั้นก็รู้เท่ารู้ว่าความสุขนี้เป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนเราไม่ควรติดไม่ควรหลงแต่ก็อาศัยความสุขเหล่านั้นสร้างกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ได้ก้าวไปสู่ นิรามิตรสุขสุ ข, สขไม่ต้องไ ม, ไม่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งใดเมื่อบุคคลมาได้อาศัยความสุขคร่าวเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในโลกนี้แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆไปเช่นนี้เมื่อบุญกุศลมันมากเข้าเท่าใดก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้น มองเห็นความสุขที่ตนได้รับอยู่นี่มันไม่มากมายอะไรน้อยนิดเดียวไม่ยั่งยืนเลยเช่นอย่างเรื่องพระรัฐบาลนเนี่ยก็เคยนำมาแสดงสู่ฟังแต่ผู้ที่มาใหม่บางทีก็ไม่ได้ยินได้ฟังท่านเป็นลูกเศรษฐีมีสมบัติหลายสิบกอ มีเมียทั้งสี่คนเข้าใจว่ามีลูกคนเดียวนั่นแหละพ่อแม่ห่วงนักต้องการอยากให้สืบมรดกมารดาบิดาก็โอบเก้าใจเต็มที่วันหนึ่งรัฐบาลไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพระองค์งทรงแสดงธรรมมุตเทศสีข้อ ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอุ้คนต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งมวลไปโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครมีอำนาจเหนือโลกอันนี้ไปได้ โลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดเพราะเป็นธาตุแห่งตัณหาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อพระองค์ทรงแสดงธรรม4ข้อนี้เนยให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนายรัฐบาลเนี่ได้ฟังแล้วก็เกิดความรู้สึก ว่าเป็นจริงเพราะเหตุป่าท่านบำเพ็ญบุญกุศลมาแต่ก่อนมากมายแล้วแม้จะได้มาสวยสุขในปัจจุบันนี้มากมายอย่างไรก็ไม่ติดในข้องก็เห็นชอบตามที่พระองค์เจ้าทรงดแสดง คือว่าจำต้องพัดภากจากของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างไปอันนี้มันเป็นความจริงแท้แท้ท่านเห็นอย่างนั้นจึงเบื่อหน่ายในการคลองเรือนกลับพอฟังเทศจบลงพุทธวริษัตเลิกไปแล้วก็คลานเข้าไปกราบพระบาทพระองค์ ทรงแสดงสรรเสริญพระธรรมเทศนาไพาร่ยิ่งนักข้าพระองค์ขอบวชในพุทธศาสนาด้วยพระองค์ถามว่าแล้วมารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือยังไม่ได้อนุญาตถ้าเช่นนั้นก็จงกลับไปบ้านไปลามารดาบิดา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วขจึงค่อยมาบวชรัฐบาลก็ถึงต้องกลับไปบ้านไปแล้วก็ไปลามารดาบิดาขอออกบวชมารดาบิดาก็เสียใจมากนึกก่าอยากจะได้ให้ลูกชายในครองราชสมบัติอันมากมาย น, นี้ถึงกับร้องให้ลำไาล อ่อนวอนขออย่าได้ไปบวชเลยลูกต้องการจะทำบุญอย่างไรก็ทำไปเถิดเงินทองเราไม่อดไม่อยากแต่รัฐบาลก็ยืนหยัดอยู่ว่าถึงอย่างไรก็ขอออกบวดเพราะว่าเงินทองเข้าของเรานี่ตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้ผมได้ไปฟังเทศทศเทเจ้ามาแล้ว ย่อมพิจารณาดูก็เห็นเป็นความจริงถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตท่านก็เลยอดข้าวไม่รับประทานอาหารเลยในวันหนึ่งพ่อแม่อ้อนวอนก็ไม่ฟังอ้อนวอนให้รับประทานอาหารเสียไม่ยอมในสองวันอ ก็ไม่ยอมบัณี้เพื่อนของรัฐบาลมาเยี่ยมมาเห็นว่ารัฐบาล น, นี่ใจเด็ดใจเดียวจริงๆเช่นนี้ก็จึงไปพูดกับพ่อกับแม่ว่ารัฐบาล น, นี่ใจเด็ดมากถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้นี่ให้ไปบวชนี่ก็คงจะตายเสียเปล่า เพราะฉะนั้นควรอนุญาตให้ไปเมื่อเพื่อนอยู่ไม่ได้ก็ะจะสึกออกวาเองพ่อแม่ก็เห็นดีตามเพื่อนของนายรัฐบาลก็จึงไปบอกลูกอนุญาตให้ไปบวชได้ลูกได้รับอนุญาตจากนั้นแล้วก็ไปอาบตามอาบน้องเสร็จได้ก็มารับประทานอาหาร พอมีกำลังดีแล้วก็จึงกลับไปวัดไปทูลขออุปสมบทกับ菩ระถาดาพระองค์ก็อุปสมบทให้ธรรมดาคนผู้มีบุญมากได้บาเพ็ญบุญกุศลมามากแล้วเมื่อก็มองเห็นความสุขทั่วคราวนั้นว่าเป็นเหยื่อ่อให้ติดอยู่ในทุกข์ ดังอุปมามาแล้วเหตุนั้นท่านจึงเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาอบุญกุศลนั่นแหละดนบันดาล น, นะพูดแล้วนะให้ท่านเบื่อหน่ายในความสุขชั่วคราวเหล่านั้นเราหนีไปบวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ไม่ประม า, าทพระศาสดาทรงสอนกรรมฐานให้อย่างไรท่านก็จําเอาได้แล้วไป ปฏิบัติทำความเพียรภาวนาเจริญสมถะอิปัตนาไปไม่ท้อไม่ถอยไม่นานก็ได้สําเร็จอรหันเมื่อสําเร็จอรหันแล้วไปทูลลาพระศาสดาไปเยี่ยมบ้านพระองค์ก็ทรงอนุญาตเพราะรู้ว่าพระรัตบาลนี่สิ้นกิเลสแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่เสียหายท่านกลับไปเยี่ยมบ้าน มารดาบิดารู้เข้าก่อนิมนต์ไปฉันบินทบาตในบ้านเมื่อท่านไปแล้วอย่างนี้ก็มารดาบิดาก็จัดอาหารให้ม า, มาให้ฉันพอท่านฉันแล้วก็อ้อนวอนให้ลูกชายศึกให้ลูกสะภ้แต่งตัวเต็มยศมาอ้อนวอน มาแสดงบายาสาไถยต่อรัฐบาลแล้วก็เงินนองสมัยก่อนไม่ได้เอาใส่หีบใส่อะาตู้เชฟอะไรไว้เลยเอากองไว้บนเรือนอนั่นแหละแล้วก็เอาเสือลำแพนปิดไว้นี่มนพรัฐบาลไปฉันห้องที่เก็บเงินเปิดเสือลำแพนออกดูซิรัฐบาล เงินทองของเรานะอันนี้เป็นของฝ่ายพ่ออันนี้เป็นของฝ่ายแม่นี่พ่อแม่จะมอบให้ลูกหมดเลยให้ลูกใช้สวยตามความประสงค์เลยขอให้ศึกมาเถิดรัฐบาลก็เลยตอบมารดาบิดาว่าอาตมาว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดความกังวลไม่ให้มันเกิดความทุกข์ ใเพราะมีเงินมากมากนี่นะขนใส่เกวียนสักห่าร้อยเล่มนี่แล้วเอาไปเทลงน้ำทะเลโน่นนะมันจะได้ความสุขสบายใจกว่าดีกว่าที่จะมาหวงแหนอยู่อย่างนี้พ่อแม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เสียใจฝ่ายเมียก็มาอ้อนวอนว่า ท่านบวชในพุทธศาสนามุ่งหวังให้ได้นางฟ้าเป็นเมียเหลือท่านก็ตอบธรรยาเก่านั้นว่าดูก่อนน้องหญิงเราออกกวชประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้หวังนางฟ้าสาวสวรรค์ที่ไหนเราบวชเพื่อชำระอสาาวกิเลสให้หมดสิ้นไป จะคกิจใจเพื่อจะได้พ้นทุกข์ในสงสารนี้ต่อไปเท่านั้นฝ่ายอดีตภรรยาได้ฟังอย่างนั้นคนใด่ก่อนนบะถ้าผัวเมียกันเนี่ยถ้าเรียกผัวเรียกเมียว่าน้องหญิงแล้วอย่างนี้แสดงว่าตัดเยื่อใยอะไรกันเลยไม่ไม่เยื่อใยแล้วฝ่าย อดีตภรรยาทั้งสี่นั้นก็เสียใจลุกจากที่นั่งแล้วก็ร้องให้ไปฝ่ายรัฐบาลก็ทำธุระอะไรเสร็จหมดแล้วทั้งเกาะเข้าฌานเหาะไปสู่สวนอุทยานเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเสร็จกิจแล้วสำเร็จมรรคผลอรหัตผลแล้ว เพื่อแสดงว่าให้พ่อแม่หรืออดีตภรรยานั้นไม่ห่วงใยอะไรไม่ให้รู้ว่ารัฐบาล น, นี่ไม่ต้องการคลองเรือนเสต่แล้วอืต่อจากนั้นมาก็เป็นอันว่าครอบครัวนั้นก็ยุติกันลงการแสดงความห่วงใยในพระรัฐบาลอันที่ยกเรื่องราว พระสาวกแต่ก่อนมาเล่าให้ฟังนี่ก็เพื่อที่จะให้รู้ได้เห็นว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่เนะี่ะมันสามารถช่วยบุคคลให้หลุดพ้นไปจากกิเลสกามวัตถทกามได้โดยแท้จริงดังพระรัฐบาลนำที่นาเรื่องราวของท่านมาแสดงสู่กันฟังนี่ ก็้วยอ น, อ, อนุภาพของบุญที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนั่นแหละเมื่อท่านสั่งสมอบรมมามากต่อมากจนเต็มแล้วบุญกุศลนั้นจึงโดนบันดาลให้ท่านเห็นทุกเห็นโทษในการครองเลือนดังกล่าวมาแล้วเพียงได้ล่ำรามารดาพิดาไปบวชเมื่อบวแล้วก็นอนุภาพแห่งบุญกุศลนั่นอีกแหละ มาช่วยหนุนกำลังใจของท่านในทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดท่านกุลอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจได้นี่เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งทำความเข้าใจกับตัวเองว่าต่อนนี้ไปเราจะไม่หลงเหยื่อล่อคือ กรมคุณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้มันเป็นเหยื่อรอให้ติดอยู่ในทุกขตอนน่อไปเราจะไม่หลงเราจะไม่ฝ่าถนานี่เมื่อได้ยินได้ฟังประวัติของพระสาวกทั้งหลายมาแล้วให้มาสอนตนอย่างนี้และตนมีทรัพย์สมบัติอะไรพอที่จะให้ห่วงที่อยากจะไปแสวงหาความสุข ในทางโลกกับเขาได้พิจารณาดูตนมีสมบัติมากเท่าไรมเมื่อรู้ว่าไม่มีสมบัติมากแล้วไม่ควรที่จะไปเสี่ยงต่อความทุกข์เลยผู้มีบุญแก่กล้าได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็พยายามสั่งสมบุญสืบต่อให้มากขก้นไปโดยลำดับ จนกัวบุญมันจะเต็มบริบูรณ์นมันถึงได้เบื่อหน่ายถ้าบุญกุศลยังไม่เต็มก็ยังไม่เบื่อไม่นายแต่ว่าบางคนบุญยังไม่เต็มเบื่อหน่ายก็มีเช่นพวกฤาษีชีภัยก็ได้แก่ผู้ครองเรือนนี่แหละในเห็นโทษในการครองเรือนนัาเป็นทุกข์ยากลาบากเหลือเกินและก็ ถึงจะมีเงินทองก็ของมากอย่างไรมันก็ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ดังนั้นท่านจึงสละบ้านเรือนออกไปบวชเป็นือสีนั่งบำเพ็ญกสิณฌานอยู่ในป่าจนสำเร็จโลกียชน บางท่านก็เลยเหาะเอเดินอากาศได้นู่นนี่แต่ว่าท่านาได้แต่เพียงโลกียธรรมเท่านั้นไม่บรรลุถึงโลกรัตธร ร, รมผู้ที่จะได้บรรลุโลกรัตธร ร, รมต้องได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนถ้ายังไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าใครจะมีบุญวัสนาบารมีแก่กล้าจนเต็มแล้วก็ตามก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอรหัตผลหรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นธรรมเนียมมาแต่ไหนแต่ไรมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละที่พระองค์ออกบวชแล้วได้เสวงหาทางตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ทางไปสู่พระนิพพานเพราะไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนพระองค์เลยพระองค์ค้นพบด้วยลำพังพระองค์เองดังที่เรารู้กันอยู่นะเนี่ยนั่นแหละเป็นเช่นนั้นการที่บุคคลผู้มีปัญญามีบุญวาสนาทั้งหลายบุญกุศลนั่นแหละมาโดนบรันรดาลให้เกิดความคิด นึกในใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้นบางคนอาจจะนึกคิดจะก่อนมาบวชนึกคิดเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยในการคลองเรือนแล้วน้ำพรมากพอสมควรแหละจึงสามารถเอาชนะตัณหาประเภทครองเรือนนั้นมาได้ เมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็จึงไม่ควรประมาทแม้ว่าผู้บางคนจะได้คลองเรือนมาแล้วเบื่อหน่ายการคลองเรือนห น, น, นีออกมาบวชแล้วก็ตามเมื่อบวชมาแล้วเกียดคลานติดอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั้นไม่ไม่ทำความเพียรภาวนาเช่นนี้นั้นกิเลสมันจะมาครอบงำจิตใจได้เหมือนกันมันจะทำ โดนใจให้หวนนึกถึงความสุขในการคลองเรือนอยู่นู่น่ะใ้การเป็นนักบวชนี่มันทุกข์มันยากมันลำบากไม่ได้นอนเต็มตาไอ้ต้องการความสนุกสนานก็ไม่ได้สนุกสนานเหมือนอย่างผู้ครองเรือนนี่ไอ้กิเลสมันมาโยโยนชวนให้หลงมันมีอยู่มันมากัดชิบในใจนี่เองเนี่ย ดังนั้นเราควรมีพัญญาควรรู้เท่ามายาสาไหยของกิเลสเหล่านั้นไม่ไปตามมันมันจะล่อให้ไปตกหลุมแห่งความทุกข์นี่แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลนะให้พากันฝั่งสมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะอย่าประมาทอย่าท้อถอยบุคคลที่มัวเมาไปเพลิดเพลินอยู่แต่ในกรรมคุณ และเช่นนี้มันจะได้มาบำเพ็ญบุญกุศลขั้นสูงนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เพราะมันติดความสุขชั่วคราวจะไหวพระนั่งสมาธพภาวนาก็กลัวว่าจิตนี่มันจะสงบประงับลงไปแล้วจะห่างจากความสุขเหล่านั้นไปอันนี้เรียกว่าเข้าใจผิด คนเรานะ่ะก็อย่างว่ามันเป็นทุกข์ทั่วคราวเมื่อตอนลงไปติดความสุขชั่วคราวอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อสิ่งที่ให้เกิดความสุขนั้นมันหมดไปสิ้นไปก็เป็นทุกข์แล้วหรือสิ่งเหล่านั้นไม่สลายไปอัตภาพร่างกายนี่ก็แตกดับทาลายพลัดพากจากของรักของชอบใจเหล่านั้นไป ก็เป็นทุกข์แล้วจิตใจนี่นะล อ, องคิดดูอามิสสุขสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเงินทองเป็นเหยื่อล่อให้จิตนั้นติดอยู่ในทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี้ดังนั้นแหละก็จงพากันพิจารณาครืรหัดเมื่อไม่เห็นโทษแห่ง ขามาคุณมากๆเข้าไปแล้วก็าสามารถตละบ้านเรือนออกปวดใด้เหมือนกันอำนาจแห่งบุญกุศลเนะ่ <c oughs> เหมือนอย่างนางพิชซุนีองหนึ่งแต่ครั้งของพรุทธเจ้าเนา่นะความจริงนางได้ไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแต่เป็นสาวอยู่นู้นนะ พอได้ฟังทมแล้ววันนี้ก็เห็นโทษแห่งการที่จะอยู่ครองเลือนต่อไปจึงล่ำลามาันดาบิดาขอไปบวชเป็นนางภิสุนีมันดาบิดาก็ไม่อนุญาตก็อ้อนวอนให้ลูกสาวแต่งงานาลูกสาวทนคำอ้อนวอนของพ่อแม่ไม่ได้ก็เลยแต่งงาน พอแต่งงานมาแล้วนางก็ไม่ลืมไม่ลืมการบวชทีนี่ยากบวชอยู่อย่างนั้นไม่ได้หลงไหลไม่ได้ติดอยู่ในกรรมคุณเหล่านั้นเลยจิตใจเห็นแต่โทษของมันแล้ ว, วันนี้ก็พยายามเอาอกเอาใจสามีให้สามียินดีด้วยเต็มที่แล้วได้โอกาสก็ล่าลา สามีแบบนี้นะสามีก็เลยอนุญาตสามีเห็นใจใจดีเห็นว่าภรรยาของตนต้องมีบุญวัสนาแก่กล้าแน่ถึงสมัครใจออกไปบวชก็เลยไม่ขัดแะอนุญาตเมื่ออนุญาตแล้วก็ไปสู่สำนักภิสุนีไปขอบวชดด้วยสงสองฝ่าย เมื่อบชเสร็จแล้วท่านก็ตั้งใจทำความเพียรภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยมานี่อยู่มาเลยเลยเกิดมีคันขึ้นมาตั้งท้องขึ้นมาพิกสุนีทั้งหลายที่เป็นเพื่อนก็พาไปหาพระเทวทัตไปแจ้งให้พระเทวทัตทราบ ว่าภิกษุนี้องค์นี้มีลูกไม่ทราบว่ามีในมีลูกตอนบวชเข้ามานี้แล้วหรือว่ามีลูกก่อนบวชก็ขอให้ท่านนี้ใช้อ้าวพระเทวทัตเนี่ท่านเป็นคนเดียวว่าใจมันหนาแน่นไปได้บาปอากุศลพอแรงแล้ว ท่านกับพี่ยานานหน่อยหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าคนมีลูกอย่างนี้ก็ไม่ควรจะบวชอยู่ในศาสนาควรศึกไปเสียว่างองั้นนาพิสุลีองแล้ก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมแล้วก็จึงได้นึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้ายังทรง พระชนมาชีพยอยู่อย่างเนี้ยเราจะไปหาใครแล้วคนอื่นนะเราจะต้องไปฝ้องพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ผู้มียานอันวิเศษจงได้วินิจฉัยเรื่องของตนว่าเป็นยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบแล้วพระองค์ก็รู้แล้วว่าเขามีท้องมาตั้งแต่คลองเรือนอยู่นู้นนะแต่เพื่อให้ คนทั้งหลายได้รับรู้ร่วมด้วยเพราะว่าอาศัยแต่ความรู้ด้วยญาณของพระองค์นั้นคนบางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็อจึงให้ไปเชิญนางวิสาขาผู้ชานาญในการมีลูกมีเจ้ามาตั้งยี่สิบคนให้ได้มาพิสูจน์คันของนางพิสุนีองค์นั้น นางวิสาขามาถึงเข้าก็เอาม่านไปกั้นไปเป็นโดยเฉพาะอ้องหนึ่งแล้วก็ให้นางพิสุรีนั้นเข้าไปตนก็เข้าไปในม่านนั่นแล้วก็ไปทำดูท้องไปพิสูจน์ดูแล้วเสร็จแล้วก็ออกมามาทูลพระศาสด า, าว่านางพิสุรีองนี้มีท้องมาแล้วได้สี่เดือนแล้ว หมายความว่ามีท้องมาตั้งแต่อยู่กับสามีนู้นไม่ใช่ว่ามามีท้องเอาตอนพึ่งบวชเข้ามานี่หามีได้พระศาสดาก็เลยตัดสินให้นาวิสุนีนั้นไม่ต้องศึกให้อยู่ไปในศาสนาเรื่อยไป อ, อย่างนี้พระเจ้าประเสณิฐอกโกสน ได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์อย่างนั้นแล้วก็พอพระหาฤทัยจงประเวณาไว้ว่าถ้าหากว่านางพิษุนีองค์นี้คลอดลูกออกมาเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามข้าพระองค์จะขอเอาไปเลี้ยงให้แม่เลี้ยงนางนมเลี้ยงจนใหญ่โตขึ้นมาทีเดียวอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาต เมื่อนางทิสุณีองค์นั้นคลอดลูกมาแล้วก็เป็นผู้ชายอเมื่อ <c oughs> บำรุงรักษาพอมีกําลังเด็กพอมีกําลังดีเห็นว่าปลอดภัยก็ได้มอบให้พระเจ้าปิเศนที่โกศลไปไปเลี้ยงอพระเจ้าปิเศณที่โกศลก็สั่งให้แม่เลี้ยงนางนมเลี้ยงอย่างดี ธรรมดาคนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นเมื่อเจริญไว้ใหญ่ขึ้นมาพอได้ประมาณสักห้ากบนี่พระเจ้าวศิสที่โกศลก็พาไปมอบแก่พระศาสดาเลยพระศาสดาก็เลี้ยงเอาอีกนั่นแหละพอ แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่ า, า, ากุมารกักสปะนั่นแหะแปลว่ากัศปะผู้เป็นลูกบุญธรรมของพระราชาเมื่อกุมารกักสปะอายุได้เจ็ดปีบุญกุศลที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติผลหลังก็มาโดนบรันรดาลให้อยากบวช จึงไปกราบทูลพระเจ้าประเศียรนิกุสลให้ได้ทรงทราบ พ, พระเจ้าประเศียรนิกุศลก็ยินดีจึงนำไปมอบให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้เมื่อบวชให้แล้วท่านก็ประพฤติธปฏิบัติรักษาศีลสิบให้บริสุทธิ์แต่อนเป็นตอนเป็นสามเณรไม่มีด่างไม่พลอย จนเจริญวัยใหญ่โตมาอายุยี่สิบแล้วก็มีศรัทธาอยากบวชพระพระองค์ก็บวชให้เมื่อบวชพระมาแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจบาเพ็ญธรรมไปอยู่ในเมืองมันวุ่นวายก็ล่ำลาอุปชาจารย์ออกไปบาเพ็ญอยู่ตามมัานนอก ไม่นานท่านก็สำเร็จอาราหันต์ส่วนมารดานะั่นน่ะตั้งแต่คลอดลูกมาลูกออกบวชแล้วเวลาลูกยังอยู่ในเมืองสาวธีก็ได้เห็นลูก ว, วัยวัยอยก็พอลูกหนีออกไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในชนบทแล้วก็เป็นทุกข์ห่วงใยอะไรลูกหลาย พยายามเที่ยวหาลูกชายอยู่นั่นแหละมันก็ไม่พบอวันนี้ลูกชายเมื่อได้ไปบปําเพ็ญสมณธรรมอยู่บ้านนอกกพื่อ ไ, ได้ความสงบสงัดแล้วก็ได้สําเร็จอรหัตผลเมื่อสําเร็จอรหัตผลแล้วจึงกลับเข้ามาเมืองสาวัตถีอเพื่อที่จะตามหาแม่ จะสงเคราะห์แม่เดินบินระบาดไปวันหนึ่งก็ไปเจอกันเข้าแม่เห็นลูกก็แล้วก็ร้องให้อะไรลูกมากบ้านี้ลูกก็พยายามพูดปอบโยนมันดาอปอบโยนยังไงมันดาก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจไม่หยุดยัง้งท่านก็เลยใช่อุบายว่า เออคุณแม่นี่บวชมาตั้งนมนานหลายปีแล้วป่านนี้ก็ยังตัดความรักความอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เหรอพอลูกเป็นแม่ได้ฟังอย่างนั้นก็เสียใจอย่างแรงป่า น, นี้นะว่าลูกนั้นไม่เยื่อใจอะไรตนเลยอไอความรักความอะไรในลูกลก็หายออกไป เธอเลยตั้งใจว่าเออต่ อ, อ, ตอ น, นี้ไปเอาละ่ะเราจะไม่หวงไม่ห่วงไม่อะไรในลูกแล้วลูกยังไม่อะไรในเราเราจะตั้งใจบําเพ็ญสมณธรมธรมท่านก็ตั้งใจภาวนาเข้าไปไม่นานก็ได้สําเร็จอรหันเช่นเดียวกับลูกชายอ่านี่แหละการที่ สแสดงถึงอนุภาพแห่งบุญกุศลสู่การพังเป็นอย่างนั้นคนไม่มีบุญน่ะหรือว่าบุญน้อยน่ะมันก็ติดก็ข้องอยู่แต่ในยาวในเรือนยินดีอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสติดอยู่ในแต่ความสุขชั่วคราวอย่างที่คนทั้งหลายติดอยู่นั้นและให้พากันพินามันเห็นนั่นแยก ว, ว่าบุญเขายังไม่เต็มบุญยังไม่มาก อกิเลสมันหลายกวัวบุญเพราะฉะนั้นกิเลสมันจึงครอบงําจิตใจได้เถียงเอาชนะกิเลสไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาเขาก็ทําบุญได้ฌานรักษาสินฟังธรรมไปคนบางพวกนะบางพวกบุญวัดสนามันน้อยมากก็เลยไม่อยากสนใจเข้าวัดฟังธรรมจาสินอุโมสดอะไรเลย มี ส, สัตาเพียงแค่กินกินดันทานไปตามประเพณีเท่านั้นเองพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตัวไปผู้ฉะนั้นจะทอ่ทองท่องเที่ยวไปในสงสารอันนี้นานพอมัวเมาประมาทอยู่เป็นอย่างนั้นผู้ใดมีบุญบารมีแก่กล้าพาสอสมควรแล้วแต่ไม่ถึงกับสละบ้านเรือนออกได้ออกปวดได้ ไอ้อย่างนี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสแก่กล้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอาใจใส่ในการดูแลวัตราศาสนาถวายปัจจัยทั้งสี่แด่พระสงฆ์สามเณรในวัตรศาสนานี i ตามกำลังความสามารถเท่าที่จะทำได้แล้วก็ได้เข้าใกล้พระเจ้าประสงค์ได้ฟังธรรม ได้รักษาสินอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งได้ไหวพระภาวนาก็ทำบุญกุศลอินทรียบรามีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับได้บางคนอินทรียบรามีก็แก่กล้าเข้าขั้นที่จะได้มรรคผลในชาตินั้นท่านได้ฟังธรรมคาสองมุสิตเจ้าเรก็ได้บรรลุมรรคผลอรหัตตาผลเข้าสู่พระนิพพานไปได้ แต่บางท่านบำเพ็ญไปก็ได้บรรลุมรรคผลเพียงขั้นต้นเช่นพระโสดาบันเป็นต้นตลอดชีวิตก็มีเรื่องหมนี้นะมันแสดงให้เห็นแล้วว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่มันยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันดังกล่าวมานี้ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะนักบวชอย่างนี้นะ กควรทบทวนดูว่าถ้าบุญเราไม่มากเราก็ไม่ได้มาบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วหากมอมมอประมาทไปก็เสื่อมจากพรหมจรรย์ได้ถึงแม้จะมีบุญมากพอสมควรยังได้เข้ามาบวชก็ตามเพราะว่าบุญส่วนนั้นมันเป็นส่วนโลกีมันแทรกอยู่ด้วยกิเลส ดังนั้นพอเผลอสติเข้าไปเท่านั้นเนี่ยมันก็กิเลสก็แทรกแทงเข้ามาได้อย่างนี้นะก็อ่อนพับไปตามกิเลสเพราะวุญตัวมันน้อยอืดังนั้นจึงต้องตั้งใจภาวนามีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะประครับประคองกายวาจาจิตของตนนี่ ให้ตรงไปตามธรรมวิในไม่ให้ออกนอกธรรมนอกวิในนี่ตั้งใจทาความเพียรภาวนาให้สม่ำเสมอไปมีสติสัมปชัญญะประคองจิตที่สงบที่ตนทาให้สงบแล้วนั้นมีสติสัมปชัญญะรักษาความรู้ความเห็น ในไตรรักณนณญาณที่ตนได้บำเพ็ญในเกิดให้มีขึ้นในใจแล้วเพราะทุกคนภาวนาถ้าทำใจสงบลงไปแล้วอันจะไม่มองเห็นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่มีหรอกเห็นกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าเห็นแล้วมันหนักไม่สามารถรักษาความรู้ความเห็นอั น, นั้นไว้ได้มันประมาทเลินเล่อนี่นะส่วนมากเป็นอย่างนั้น ดังนั้นรู้อย่างนี้แล้วใครพากันรักษาให้ทํารวจตรวจ ด, ดูจิตใจนี่เน่ะมันมองเห็นร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่หรือไม่จิตนี่มันมองเห็นอยู่หรือรู้อยู่หรืออ้าวถ้ายังมองไม่เห็นชัดก็พิจารณาให้มันชัดขึ้นไปเหมือนเดิมอีกถ้ามันเห็นอยู่รู้อยู่ว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันมี ทุกทรนยากลำบากจริงไม่อยู่ในบังคับปัญชาของผู้ใดเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาเป็นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมบาปกรรมเมื่อสิ้นบุญสิ้นบาปแล้วก็แตกดับทำลายลงดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปหลงไหลยึดมั่นอยู่ว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรานี่มา ร, รักษาความรู้มันพิจารณา ทำให้ใจเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของร่างกายนี่อยู่เสมอพิจารณาเตือนใจให้เห็นทุกข์ในขันหานี่มันทนได้ยากเพราะมันไม่เที่ยงต้องเลี้ยงต้องบำรุงต้องรักษากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนขันหานี่จึงค่อยพอประทังอยู่ได้แต่ถึงถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่ไวายที่จะต้องแปลปูนไป จะบมรุงรักษาให้อยู่ดีกินดีจากเท่าไรมันก็ไม่ฟังมันก็ทำรุดชุดโทมไปอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยเมื่อเวลามันบุญกุศลยังไม่หมดลงเต็มที่เนะ่ะมันก็ชุดโทมไปมันบุญกุศลกำลังน้อยลงน้อยลงนะ่ะไอ้ร่างกายอันนี้มันก็สุดโทมลงไปที่เราเรียกว่าขนแก่อย่างนี้นะ แล้วก็เห็นกันอยู่ดานตื่นนี้คนที่เกิดก่อนนะ่ะนั่นแหละมันเตือนใจให้พิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารอันนี้อยู่ยนั่นแล้วบังคับไม่ได้มันจึงแก่มันจึงชํารุดทรุดทรมมันจึงแตกหังดับถ้ามันบังคับได้ถ้าเป็นของตนงจริงกินก็บังคับได้สิเนี่ยมันฝืนความรู้อันนี้ความเห็นอันนี้ให้บังเกิดขึ้นในใจเสมอ ไม่ใช่ว่าเราจำได้เท่านั้งหนึ่งแล้วแล้วไปเลยไม่ได้กําหนดพิจารณาอีกต่อไปอย่างนี้เดี๋ยวเดียวไออวิชชาความไม่รู้มันก็ครอบงําเข้ามาอีกแล้วอันนี้จังทุกขรังอนัตตาหายไปแล้วเดี๋ยวก็มองเห็นรูปนามอันนี้เป็นของสวยของงามเป็นของเที่ยงยังยืนขึ้นมานี่บรรดาจิตใจที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคนธรรมวิเศษนี่ มันมีหลงได้ถ้าประมาทแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้ว mm hmm. ก็อย่าได้พากันประมาทให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยดังอุบาย <Yeah. S 1> ภาวนาที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้แล้วก็คงจะได้รับความสุขความสงบ คนจากทุกข์จากภัยในสงสารไปได้ตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมา